วิธีประนามภิกษุ์ทั้งหลายก็อาจารย์พึงประนามอันเตวาสิกอย่างนี้ว่าฉันประนามเธอหรือเธออยากเข้ามาที่นี้เธอจงขนบาทและจีวรของเธอไปหรือเธอไม่ต้องอุปถาคฉันอาจารย์ให้อันเตวาสิกรู้ด้วยกายให้รู้ด้วยวาจารหรือให้รู้ด้วยกายและวาจาเป็นอันได้ประนามอันเตวาสิกแล้วอาจารย์ไม่ให้อันเทวาสิกรู้ด้วยกาย ไม่ให้รู้ด้วยวาจาหรือไม่ให้รู้ด้วยกายและวาจาเป็นอันยังไม่ได้ประนามอันเตวสิ